2,524 เมื่อเรามาพบมาเห็นเริ่มมาระสมกันในวันนีนน้สำหรับผมจะได้ให้พอคิดตามคิดถีและผมเห็นผมเข้าใจผมทราบซึ่งในจิตใจของผมเองเพื่อจะให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้จดจำ นำเอาไปคิดเอาไปพิจารณาและเห็นว่าเหมาะสมกับทิฏฐิของตัวเองก็นําไปปฏิบัติได้หรือว่าผู้ใดผู้หนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งไม่เห็นว่าไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องไม่ถูกกับทิฏฐิของตัวเองไม่เอาไปประพฤติไม่เอาไปปฏิบัติก็ ไ, ไ, ปปได้ <c oughs> สําหรับผมจะพูดวันนี้คือผมก็เข้าใจว่าผมเป็นคนไทย ถือศาสนาพุทธมาหลายปีเหมือนกันแงเคยไถ่ทา <c oughs> นเคยรักษาศีลเคยทํ า, ท า, สาสทกรรมฐานมากับครูบาอาจารย์ก็หลายมาเรื่องมากมาพอสมวรแต่ผมยังมีความสงสัยมีความยังเละใจไม่แน่ใจว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรผิดอะไรถูกอันนี้ผมไม่แน่ใจ ตอนเมื่อผมได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมะที่ผมจะนํามาเล่าสู่ฟังวันนี้เนี่ยผมมีความเด็กขาดหรือแน่ใจมั่นใจตัวเองเหมือนกับคนที่ออกจากที่มืดหรือเหมือนกับนกที่ออกจากกรงขังที่แรกนั้นผมอยู่ที่มืดหรืออุปมาฟังเหมือนกับนกที่อยู่ในกรงขังเมื่อออกจากกรงขังได้แล้วก็ไปได้ตามสบาย คนเราเมื่อออกจากที่มึกแล้วก็เดินไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องสงสัยไม่ต้องคลองแวะผมเข้าใจอย่างนี้ดังนั้นผมจึงจะนํามาเล่าให้ฟังคือคนใดเห็นว่ามันเป็นทางที่จะนําตัวรอดไปได้ก่อนเอาไปปรึกษาปฏิบัติก็ได้หรือคนใดว่าไม่ต้องประึฤติปฏิบัติคําพูดเช่นนั้นมันไม่ถูกต้องมันไม่อยู่ในตรอบในท้ายคําสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่นําอำไปพึิ อยาแนะนำเอาไปปฏิบัติก็ได้ดังนั้นคนเราเมื่ออยู่ในทีมมืดแล้วจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องวกวนอยู่ที่นั้ น, เ, นเหมือนกับนกที่เราเห็นกันอยู่ด้วยตาเนื้อเรานกไม่อยู่ในกรงถึงมันจะวิ่งไปนั้นมานี่มันก็อยู่ในกรงนั่นเองมันต้อหาทางที่จะออกจากกรงนั้นออกไม่ได้ดังนั้นคนเราเมื่อติดครอบงําดูอะไรอันใดอันหนึ่งที่มันติด มันครอบงำอยู่ในจิตใจของเราหรือตีติของเรานั่นแหละอันนั้นคือเราอยู่ในที่มืดเมื่อเราไม่มีความสงสัยไ ม, ม่มีที่ข้องแวะเหมือนกับที่เราเดินแต่กลางวันเรามองเห็นอันใดอันหนึ่งเมื่อที่สําคัญอันใดอันหนึ่งเรามองเห็นอันด้วยตาเนือ้อเราจะไม่ได้ไปที่ที่มันจะเป็นคิดเป็นไัยนั้นเหมือนกับเราที่ออกจากที่มืดเราก็เดินไปได้สบายใครจะพูดอย่างไรเราก็ไม่ต้องสงสัย ไม่ต้องคล้องแวะพราเราเห็นแจ้งรู้จริงอันนี้เป็นทิฐิผมเห็นในคมเข้าใจของผมดังนั้นผมจึงอ่ะไม่เสื้อไขทั้งหมดนี่ไม่เสื้อทั้งตำรับตำลาตเตียงได้ยินได้ฟังเอาไว้ตำรับตำราหรือตัวหนังสือเขียนเอาไว้ก็ฟังเอาไว้แต่ไม่ได้ปฏิเสธอันนี้ไม่ดีไม่ได้ปฏิเสธอย่างนั้นแต่ไม่เสื่ออยางนั้นคือเสื้อมั่นในคนเห็นในคนเข้าใจ ในสิ่งสิ่งที่มันปรากฏการเกิดขึ้นมาในภายในชีวิตจิตใจของเรานี่แหละอันนี้แหละที่ผมจะนํามาเล่าสู่ฟังวันนี้ที่ผมได้ยึดได้ถือได้สั่งเอาไว้คือพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์เรื่องดับทุกข์คนเราทุกคนนี่แหละถ้าหากว่าอยู่ที่มืดก็ต้องมีความสงสัยอันความสงสัยก็คือความทุกข์ความทุกข์ี่มันมีหลายซ้ำหลาย เรื่องอย่างที่คนธรรมดานั้นทุกคือกลัวไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีข้าวไม่มีของอันนี้ทุกอีกแบบหนึง่งแม้บางคนผู้มีปัญญาลึกกว่านั้นก็ทุกเหตุว่ามีความโกรธความโลภความหลงอันนี้ก็เป็นทุกอีกอย่างหนึง่งทุกบางคนมีความสงสยัยนอกเหนือไปจากความโกรธความโลภความห ล, ลงแล้วก็จะมีความสงสยัยอันนี้ก็เป็นทุกอีกแบบหนึง่ง ทุกอีแบบทุกเพราะการไม่เห็นาการไม่รู้กันไม่เข้าใจอันนี้ก็เป็นทุกอีกแบบหนึ่งดังนั้นคนเราจึงพยายามศึกษาให้รู้จักจริงๆที่ผมเคยเป็นทุกมาหลายเรื่องแต่ผมคิดว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ได้เฉพาะตัวผมเองผมพยายามทำมันทื่ผมทํามาผมเข้าใจเพราะการรู้จักไม่ใช่แต่นั่งนุง่งให้มันตัวสงบ หลับตาอยู่คนเดียวอันนั้นผมทำมามันมีความสงสัยมันมีความนึกความคิดอะไรผมไม่รู้อันนี้เรื่อผมยังมีควมสงสัยแต่เมื่อผมไม่ต้องหลับตานะอันนี้อันใดมาผมเห็นด้วยตาเนื้อแม้ความคิดผมคิดขึ้นมาผมรู้ผมเข้าใจผมเห็นความคิดของผมผมก็เลยเข้าใจวันนี้ที่ทางที่จะนำไปหาพระพุทธเจ้า ผมเลยเขา้าใจอย่างนี้พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าคือตัวเจ้าสายสิทธัตถะกุมารนั้นอันนั้นเป็นเอียงรูปภาพนั่เป็นรูปเป็นวัตถุผมเข้าใจอย่างนี้อันพระพุทธเจ้าจริงๆนั้นน่ะอยู่ที่ไหนอันพระพุทธเจ้าจริงๆนั้นคือคนที่ไม่มีทุกข์นั่นเองบุคคลใดไม่มีทุกข์อันนั้นแหละคือพระพุทธเจ้าบุคคลใดยังมีทุกข์อันนั้นเสียยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือยังไม่ได้นำต่หาพระพุทธเจ้า ผมเข้าใจอย่างนี้นั่นคําว่าไม่มีทุกนั้นไม่มีทุกเพราะการไม่รู้อันนั้นก็นไม่ใช่ส่งหลัไม่มีทุกคือมันยังมีทุกอยู่แต่คมทุกนั้นมันมันไม่เหมือนกันบางคนเหตุจะตามอารมณ์ตัวเองไม่มีทุกอันนั้นก็ดีเหมือนกันดีเพราะบุคคลคนนั้นแต่ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นผมว่าไม่มีทุกคือเพราะการเห็นการรู лин. Лин. ้กันเข้าใจการสัมผัสได้ผมเข้าใจอย่างนี้ผมก็เลยพยายามทํา พยานทำจริงๆครับทำเพื่อความเข้าใจจริงๆทำเพื่อชีวิตของเราจริงๆทำเพื่อตัวเราจริงๆทำเพื่อคนทุกคนในโลกนี้จริงๆครับ <_ S 2> อันนี้ผมเข้าใจอย่างนี้น <_ S 1> คือเรื่องไม่มีเงินไม่มีทองนั้นไม่มีเข้าไม่มีของน่นเป็นคนเกียรตทานเป็นคนไม่เอาไหนคนแบบนั้นก็เสื่อไม่มีทุกข์เพราะเขาไม่เห็นทุกอย่างนั้นและบัณฑิตบุคคลที่โกรธเขาก็เข้าใจว่าความโกรธนั้นอ่ะเป็นผลทมสุข เขาก็เข้าใจแบบนั้นเขาจึงปลุกขึ้นมาได้บางคนลองเพลงหรือดูหนังอันนั้นบุคคลผฉะนั้นเขาก็เข้าใจว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ป็นทุกข์เขาจึงทาอย่างนั้นบางคนมีความสงสัยอันนั้นอันนี้แล้วเขาก็คิดอยู่อย่างนั้นเลยแล้วก็เขาเข้าใจอย่างนั้นว่ามันไม่เป็นทุกข์ผมเลยเข้าใจความสงสัยเนี่ยมันเป็นทุกข์ผมเข้าใจอย่างผมจึงทาให้มันเป็นว่าไม่ให้มีความสงสัย ควาไม่สงสัยนี่มันไม่ใช่เป็นความสงบมันไม่ใช่เป็นความสงบที่เป็นนั่งอยู่คนเดียวอันนั้นคือมันเป็นการเห็นแจ้งมันเป็นการรู้จริงมันเป็นการเข้าใจได้จริงจริงความสงบแบบนี้แต่ว่าความสงบก็ได้นรือจะว่าความเห็นแจ้งก็ได้หรือต่ว่าความออกจากที่มืดแล้วก็ได้นรือจะว่าเราเราไม่มีความค้องดแอะไรทั้งหมดแม้กตำลับตาราพูดอย่างนั้นเราก็เข้าใจเราไม่ต้องไปค้องติดอยู่กับ ตัวสําหรับตำราที่เป็นวัตถุอันนั้นอันมุกคือว่าความสงบแบบนี้ที่ผมนำแต่เล้าอยู่ที่ไหนก็ตามผมชอบพูดอย่างนี้เพราะทุกคนมันมีอย่างนี้ผมเข้าใจในนั้ <c oughs> นความสงบที่ผมพูดนี้มันจึงไม่เป็นนั่งสงบคือมันสงบเพราะผมออกจากความหลงผิดมันสงบเพราะมันออกจากที่มืดได้มันสงบเพราะมันไม่มีความสงสัยมันสงบไปแบบนี้แต่มันอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ กินอะไรก็ได an e, ้นั่งยังไงก็ได้นอนยังไงก็ได้มันไม่ไปข้องแวะสึ่งเหล่านั้นอันนี้มันคนสงบแลยนี่ดังนั้นเราควรศึกษาและควรปฏิบัติให้รู้ให้เข้าใจจริงจริงสิ่งที่รู้นั้นสิ่งที่เข้าใจนั้นรู้ของจริงและเข้าใจของจริงเราจะนั่งอยู่ที่ไหนก็เห็นแจ้งรู้จริงอยู่อย่างนั้นเราจะเดินอยู่ที่ไหนก็ต้องเห็นแจ้งรู้จริงอยู่อย่างนั้นเราจะนอนก็ตามจับไปยังไงก็ตามมันต้องรู้แจ้งเห็นจริงอยู่อย่างนั้น ไม่ใชไปเห็นด้วยตาเนื้ออันนี้แต่ตาเนื้อเขามองเห็นซึ่งคนเดินไปเดินมาที่มองเห็นด้วยตาเนี้ยหูได้ยินคนพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราฟังได้ยินด้วยหูอันนี้เป็นวัตถุแต่ที่ผมรู้ผมเห็นผมเข้าใจภายในจิตใจของผมคือจิตใจผมมันนึกขึ้นมามันคิดขึ้นมาผมเห็นผมรู้ความคิดตระจินี้มันจะู่ด้วความหลงผิดไหมมันมีโมหะไหมมันมีโทสะไหมมันมีโลภะไหม ผมเข้าใจอย่างนี้แม้ความคิดเจต น, นี้มันไม่มีโมหะหรือมันไม่มีโทสะหรือมันไม่มีโลภะหรือผมเห็นอันนี้ครับฉะนั้นเติดชีวิตของคนทุกคนนะครับมันไม่ได้มีโทสะมันไม่ได้มีโมหะมันไม่ได้มีโลภะมันไม่มีความทุกข์อันไหนมันเป็นเฉยๆดีอย่างไรอันนั้นจะ็ตัวชีวิตของเราคือวิตนั้นคือมีลมหายใจหมดลมหายใจเืียว่าตายอันนี้เรื่องชีวิตเอง เรื่องคิดเรื่องใจแบดนี้ครับเรื่องคิตเรื่องใจนั้นถ้าหากว่าอยู่ด้วยอารมณ์ที่มีโมหะที่มีโฟสะที่มีโลภะอันนั้นเรียกว่าจิตใจเข้าหมองผมเห็นอย่างนี้ผมเข้าใจอย่างนี้จิตใจเศ้าหมองจิตใจเป็นทุกข์ต่อเมื่อเราเห็นความคิดของเราที่มันปรากฏเกิดขึ้นมาเราเห็นเรารู้เราเข้าใจความคิดประเภทนี้มันไม่ได้มีโมหะมันไม่ได้มีโลภะมันไม่ได้มีโฟสะมันปลาไปจากสิ่งเหล่านี้ มันก็สงบอยู่อย่างนั้นอันนู้นเรียกว่าจิตใจของเราออกจากที่มืดออกจากที่เป็นตมเป็นโคนได้แม้ตัวจิตใจของเรานะี่ยนี่ว่าอารมณ์คือตัวจิตใจนั้นเนะี่ยตัวนึกตัวคิดนั้นนะอยู่ด้วยอารมณ์ที่ไม่สุกปกปอกหรื่อจิตใจพ้นไปจากที่สุกปกปกมันไม่มีอะไดมาข่องแวะมันเข้าใจอย่างนี้ครับมัา น, นี้คือร่างกายของเราเนะี่ยมันต้องอาศัยการนั่งการนอน การอยู่การกินเสื้อผ้าต้องอาศัยการมานุง่งมาปกมาปิดในอาหารการสั่นต้องล่อเลีเ้ยงร่างกายผมเข้าใจอย่างนี้สิ่งใดที่มันจะเป็นพิษแก่ตัวเราหรือเนื้อหนังเราเราไม่ต้องไปเอามานุง่งไม่ต้องไปเอามาถือหรืออาหารกินเข้าไปแล้วมันจะเป็นพิษแก่ร่างกายของเราเราก็ไม่ต้องกินถึงมันจะเป็นยังไงเราก็ต้องอดได้ทนได้เมื่อผมเข้าใจอย่างนี้เมื่อเข้าใจอย่างนี้มันปรากฏขึ้นมามันปรากฏขึ้นมาจริงๆ เรื่องมันสาคูดนั้นก็มันมีอยู่แล้วแต่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยเข้าใจในระยะที่มันสากูดนั้นมันป่าเพิ่มครับมันเป็นตีตีกับกัว่าได้หรือว่ามันไม่เป็นตีตีก็ว่าได้ครับจะพูดยังไงมันก็ถูกทั้งหมดเลยครับเพราะว่ามันเบาทั้งหมดเลยมันเบากายเบาใจเบาชีวิตเบาไปทั้งหมดเลยครับคือมันไม่มีอันใดมาติดพันมาติดมาพันมันไม่มีอะไดมาขกาะมาคล้องมันครับ คือมันซื่อทั้งหมดเลยครับคือมันเรียกว่ามันไม่มีอันใดตัวซีริสของเราจริงๆนะครับตัวจิตใจของเราจริงๆนะมันเป็นอย่างนั้นครับอันนั้นแหละคือความสะอาดอันที่เราพูดกันว่าจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบนะครับจิตใจหรือซีริสเนี่ยนะมันสะอาดอยู่แล้วครับคำสว่างนี่ก็หมายถึงตัวอินทรีย์หรือตัวสติหรือตัวปัญญาหรือจะเพิ่มยังไงก็ได้เพราะมันเป็นเรื่องสมมุติครับใครเห็น ไปรู้ไปเข้าใจไปสัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าสว่างคือเรามองเมื่อสวยนี่ครับมันทะลุใสจริงจริงบันทึสกสงบก็หมายถึงโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันไม่มีเรื่องที่เราจะไปสนใจเรื่องนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันมีอยู่แล้วในคนทุกคนนี้ถ้าหากว่าเราศึกษาอย่างนี้ผมรับรองได้ว่าทุกคนต้องพบช่องเห็นทุกคนต้องเข้าใจจริงๆอย่างนี้เพราะมันมีจริงๆในคนนี้ครับ อันนี้เลยคือว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราแม้จะจับชายจีวรของเราอยู่ก็ไม่เห็นเราเึืงว่าไม่เห็นธรรมอันนี้ผมเข้าใจอย่างนี้ครับอันนี้ทิปิของผมครับเห็นธรรมนั้นไม่ใช่ว่าไปเห็นดวงแก้วไม่ใช่ไปเห็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไปเห็นพระพุทธรูปลอยเข้ามาเนี่ยผมไม่เข้าใจอย่างนั้นครับแต่สมัยก่อนๆนั้นผมเข้าใจอย่างนั้น ผมผมไม่รู้เนี่ยมันก็ต้องเข้าใจไปอย่างเลแต่เมื่อผมมารู้อายุสี่สิบหกปีครับผมเป็นโยมครับทื่ว่าผมรับรองได้ว่าจะถือศาสนาไหนก็ตามจะนุ่งผ้าสีอะไรก็ตามเป็นผ้าเต็มเนนก็ตามเขียนหนังสือเป็นก็ตามเขียนหนังสือไม่เป็นก็ตามคนจนก็ตามคนรวยก็ตามนะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับขอให้สวัสดิเป็นคนนี่ก็แล้วกันครับมาปฏิบัติได้ถ้าพูดแล้วรู้เรื่องกันผมเข้าใจอย่างนั้นครับ คือว่าผมว่าศาสนาพุทธหรือคําสอนของพระพุทเจ้านี้มันไม่เหมือนกับที่เราเรียนมานั้นมันไม่เหมือนกับที่เราปฏิบัติมานั้นมันไม่เหมือนจริงๆครับแล้วมันก็เหมือนจริงๆแบบ น, นี้ทำมาแลมันเหมือนน่มันไม่มีทุกจริงๆครับอันที่เราสนใจกันนั้นคือเราไปสนใจกับเรื่องที่มันไม่ตรงครับคือเราไปสนใจกันทําอย่างนั้นผิดทําอย่างนี้ถูกเราไปสนใจกับเรื่องนั้นเราไม่เคยมาสนใจชีวิตของเรา คือเราไม่มาสนใจโตจิตใจของเราจริงๆเนี่ยเราไม่เคยมาสนใจที่ตรงนี้เราก็เลยไม่รู้มันนี้เมื่อพูดอย่างนี้ก็สมมตุติพูดให้ฟังคนทุกคนที่มันกินข้าเป็นครับถึงมันจะไม่เคยรู้ว่าอันนี้เป็นข้าวมันไม่เคยดันมามันไม่เคยรู้แต่ว่าไม่ค้าวเปือกเป็นอย่างไรไม่ข้าวสารเป็นอย่างไรมันไม่เคยรู้จริงๆแต่เมื่อเอาข้าวมาให้มันกินมันกินเป็นวัดทุกคนทีเดียวครับจะเป็นคนไทยก็กิกนข้าวเป้นจะเป็นคนจีนก็กินข้าวเป้น จะเป็นคนฝรั่งอังกฤษอะไรกินข้าวเป็นมัดทุกคนกีเดียวครับแต่เมื่อเด็กๆนั้นมันไม่รู้ัเด็กหลุดจากทองแม่มานี่ยมันไม่รู้กินข้าวไม่เป็นเมื่อพอแม่หรือพี่เลี้ยงเนี่ยเอาข้าให้มันกินต้องเอาซ้อนหรือเอาข้าวแตะแตะปากมันจึ้มหันหน้าไปกินเมื่อมันกินเป็นแล้วนานๆเข้ามามันก็เลยรู้จักไม่ต้องเรียกมันเลยมากินข้าวไม่ต้องเรียกมันเลยมันหิวมันกินเองมันครับนั่นสําคัญเรื่องนี้ครับเมื่อมีความคิดขึ้นมาอย่างนี้นะมันเห็นมันรู้มันเข้าใจอันนี้ นี่ผมเข้าใจอย่างนั้นเลยคนทุกคนน่ะมันจึงเข้าเป็นคนทุกคนเนี่ยมันจึงรู้ได้มันไม่ใช่ว่าคนไทยมีเงินมีทองจึงจะปฏิบัติได้คนไทยไม่มีเงินไม่มีทองจึงจะปฏิบัติได้มันไม่เป็นอย่างนั้นครับคนตาแต่ก็ตามไม่ถือศาสนาพุทธปฏิบัติไม่ได้ไม่เป็นอย่างนั้นจริงๆครับที่ผมกล้ายืนยันรับรองเอาซีวิต์เป็นเดิ ม, มพันนี้ครับผมกล้ายืนยันรับรองเอาซีวิตนี่แหละเป็นเดิมพันอันนี้คือว่า ทำให้คําสอนของผู้รู้ก็ได้หรือจะ่าทําให้คําสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้หรือว่าจะทําให้คําสอนของใครก็ได้นะครับเพราะว่าจริงเนี่ยมันเป็นคําสอนของบุคคลที่รู้จริงนั่นแหะครับมันไม่ใช่เป็นคนรู้มาจากตำหนักตำรามันไม่ใช่เป็นคนรู้เรียนมาครับอันนี้มันไม่ใช่เป็นคนรู้จํามันเป็นคนรู้สํานึกขึ้นมาภายในจิตใจครับคันถ้าพูดตามตัวหนังสือเขาว่ายานปัญญาก็ได้เลือปัญญาญาณก็ได้ เนื้อว่าที่พัฒนากรได้เนี่ยเอาแล้วจะสมมุติพูดขึ้นมาก็ได้ครับเมื้อจะว่าไม่มีตัวไม่มีตนก็ได้เนี่ยมันพูดไปอย่างนั้นครับมันเนื้อจะพูดว่ามีตัวมีตนก็ได้ก็ครูรู้เนี่ยผมรู้เนี่ยสันรู้เนี่ยเนี่ยจะพูดว่ามีตัวมีตนอย่างนี้ก็ได้ครับมันสมมติครับแค่ขอให้เราทุกคนปฏิบัติให้จริงจังแล้วผมเข้าใจว่าแน่นอนที่สุดครับชีวิตของคนนี่มันไม่มีทุกครับท่านจะว่าอุเตคหาอุเตคหาอันอุเตคหาเนี่ยเรา call หาว่าวางเสย ต้องวางเสรยที่อันตัวธรรมชาติตัวชีวิตของเราจริงๆนะครับมันเป็นอยู่อย่างนั้นไม่ต้องไปพูดว่าบางเสรยก็ได้นึกจากพูดว่าบางเสรยก็ได้อันนั้นแหละสวดชีวิตแท้ครับคนเกิดมาแล้วเขาได้รับรสผันนั้นแท้ๆคือไม่เสียทีไม่ขาดทุนสูญเป่าที่มาเกิดเป็นคนครับถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจอย่างนั้นมันก็เลยไม่พบกับของสิ่งนั้นเราก็เลยไม่รู้กับของสิ่งนั้นเราก็เลยไม่ได้รู้รสชาติสิ่งนั้น อันนี้แห L ละรดซ่าดสิ่งที่มีเงินร้อยล้านพันล้านแต่คือก็ไม่ได้แม้จะเป็นนังหลักชาอยู่นั้นถ้าหากว่าเราไม่ปรากฏมันก็ลดซ่าดอันนั้นก็ยังไม่มีแัดนี้คนไม่มีเงินแม้จะตามเดียวก็ตามเขาได้รับรดซ่าดอันนั้นเขาอาจจะมีคนสุดเนื้อบุคคลผูท้ที่มีเงินร้อยล้านพันล้านก็ได้ครับแต่ตรงกันข้ามเลยครับอันนี้คนที่มีเงินร้อยล้านพันล้านถ้าหากว่าไม่ได้รับรดซ่าดอันนี้ก็ชื่อว่าขาดทุนโสนเป่าในชีวิตนี้ครับ บัตเมื่อบุคคลที่เป็นนั่งหลับตาก็ตามไม่หลับจาก็ตามเป็นนั่งอยู่นั่นแหละครับหากว่าไม่ได้รับรสชาติอันนี้ก็ว่าเป็ น, นั่งประโยชน์อันใดมันได้ประโยชน์อันใดมันก็เลยคาดทนศูนย์เปล่าอันนี้บุคคลที่ไม่ต้องนั่งก็ได้ไปไหนก็ได้แต่บุคคลผู้เช่นนั้นไละรับรสชาตอันนี้ก็เส่าคนนั้นนหละมีกำไรชีวิตมีกำไรจิตใจจริงๆครับอันนี้ครับยังวะพระพุทธเจ้ า, า, านั้นไม่มีทุกข์คำว่าพระนั้นอ่ะแปลว่าคนไม่มีทุกข์เท่านั้นเองครับ คนใดยังมีทุกข์อยู่อันนั้นอย่างไมรจะเป็นพระแห้ครับจะ เ, เป็นที่เป็นพระ้อสมมตุติคือสมมุติมันจะมีมากครับอันสมมุติพูดเนี่ยผมกำลเลยไม่มีอะไรจะประพูดเรื่องสมมุตินี้ให้ฟังแต่เราไม่ได้สนใจครับเราต้องปฏิบัติทําความรู้สึกครับมันเป็นวิธีง่ายๆรัดลัดครับเราไปไหนมาไหนทำความเข้าใจหรือให้มีสติกําหนดรู้การเคลื่อนไหวรูปกายเหล่านี้หรือร่างกายเหล่านี้ครับ มันคิจาการู้มันหายใจกะรู้มันคิดการู้เนี่ยมันเอาเพียงแค่นี้แหละครับไม่ต้องหลับตาก็ได้หรือจะหลับตาก็ได้ครับถ้าหลับตาอยู่มันไม่รู้มันก็ไม่มีประโยชน์ครับถ้าหลับตาอยู่มันรู้มันก็มีประโยชน์ครับมันไม่มึนตาอยู่ไม่รู้มันก็ไม่มีประโยชน์ครับมึนตาอยู่มันรู้มันก็มีประโยชน์ครับมันนี้แต่รักษาศีนถ้าหารักษาศีนอยู่นั่นไม่รู้คุมคิดไม่รู้ลมหายใจ ไม่รูการเคลื่อนไหวของร่างมันก็ไม่มีประโยชน์ค่ะแต่บุคคลไม่เคยรักษาศึลก็ตามครับแต่มันกําหนดรู้การเคลื่อนไหวอัะไรก็ตามทิศตามันก็รู้หายใจมันก็รู้มันคิดมันก็รู้มันก็มีประโยชน์ครับดังนั้นความจริงแล้วมันมีอยู่ที่เราครับอารมณ์สงบนั้นมันมีอยู่ที่เราเราต้องสงบแล้วจึงจะไปสอนผูอื่นให้มีความสงบได้ครับไม่ใช่ต่เดาเดาออกนะครับไม่ใช่เดินนึกไปคิด ผมจึงกล้ารับรองเอาชีวิตนี่เป็นเดิมพันครับอันนี้มันก็เลยคล้ายๆ ค, ค, คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยสอนเอาไว้เสียสละเงินเสียสละกทองนั่นแหะคือเรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยนะยต้องเสียสลาทรัพย์เพราะรักษาอาวัยยาวะกันวะคือเราต้องการอยากให้อายยาวะเรานี่สมบูรณ์ครับกันว่าเสียสลากทรัพย์เพราะรักษาอาวัยาวะบัดนีงง้ยอมเสียสละอวัยยาวะคือร่างกายเราส่วนใดส่วนหนึ่งมันเป็นบาดเป็นแผลเราก็ต้องตัดเท่งเพราะเราไม่อยากตายครับ มันเป็นปัญญาว่าเสียสลาดอะไรเมื่ว่าเพื่อรักษาชีวิตแบบนี้ยอมเสียสลาดชีวิตเพื่อรักษาความจริงความสงบอันนั้นแม้คนอื่นหาว่าเราพูดพิดเขาจะเอาเราไปฆ่าก็ได้ครับหรือจะว่าเสียตลาชีวิตเพราะรักษาปัจจัยธรรมก็ได้เพราะมันมีอย่างนั้นครับแต่ไม่ต้องรักษาครับเรื่องนี้แต่เรายอมเสียตลาดได้ครับเพราะต้องการทุกคนเลยครับสิ่งนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าทําการทํางานเพื่อหน้าที่ ดังนั้นจีว่าไม่จํากัดครับทาการทํางานเพื่อหน้าที่หน้าที่ของเราอะไรหน้าที่ของเราคือเราลู่อันนี้เราเห็นอันนี้เราเข้าใจอันนี้เรามีอันนี้เราต้องเอาอันนี้ไปพูดเราต้องเอาอันนี้ไปไว่าให้คนฟังจน ท, ที่ยังไม่เคยได้ยินเขาจะได้ยินคนที่ไม่เคยรู้บางทีอาจเขามีปัญญาอาจจะรู้ได้อย่างที่เราพูดกันหรือผมก็เคยพูดอย่างนี้มาเ่อดอกไม้เนี่ยจะบานได้ต่อเมื่อมีแสงตะเวนหรือแสงแดด นึกแสงอันใดก็ตาม้วมืคนสว่างเข้ามาใหมันบานได้คนเราก็เหมือนกันครับถ้าหากมาได้ยินสิ่งแปลกๆเข้ามาแล้วมันกระทับเข้าในหูมันสามารถที่จะเอาไปคิดได้ครับเรื่องปัญญาของคนมันไม่เหมือนกันครับมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นคาว่าการตัดสู้หรือรู้ธรรมะอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนั่นคือว่าไม่จํากัดวันเวลาครับอากเป็นเวลาเที่ยก็ได้อยากเป็นเวลากลางวันก็ได้หรือจะเป็นเวลากลางคืนก็ได้ เื่อจะเป็นเวลาเยียมก็ได้ไม่กําหนดกฎเกณฑ์เลยครับเรื่องนี้ไม่กําหนดจริงๆครับผมรับรองได้แค่ขอให้เรามีสติอย่างสมบูรณ์ดูให้มันทันเมื่อเราเห็นเรารู้เราเข้าใจดูมันทันมันเป็นเองครับเมื่อมันสมบูรณ์และมันเป็นเองผมเลยเข้าใจที่ผมเคยเป็นเณรผมอ่านหนังสือครับว่าและจักบาเนี่ยได้อานิสงส์หกขับแต่จังหันมือเท้าเนียได้อานิสงส์ห้าขับ ไปเทนบ้านผมเรียกว่าไปเทนครับไปส่งอาหารภาคกลางวันไมื่อันหนึ่งสงสีกลับกลับเรื่องผมก็ไม่รู้สมัยนั้นผมไม่รู้จริงๆมีตุคุณอาจารย์ไว้ฟังและเจอหนังสือมันว่าจางเลยรวมจริงแล้วเนี่ยครับอันมีสติสมบูรณ์นี่เนี่ยขมันเป็นเต็มกับครับมันเต็มกับคือพิษไหวคิษตาหายใจมันนึกมันคิดมันรู้เท่ารู้ทันรู้จักอันรู้จักแย่มันสมบูรณ์ครับอันนี้เดมันเต็มครับเมื่อมันเต็มมันสมบูรณ์เนี่ยที่มันก็เลยปรากฏขึ้นมาเหมือนกับเม็ดข้าวนี่ นี่ข้าเปลือกนะครับเป็น้าจ้าก็าตา ม, มเข้าเหนียวก็าตามเอาไปเพาะลงในดินนี่ครับเมื่อมันสมบูรณ์เนี่มันงอกขึ้นมาคนเดียวมันไม่ต้องมีเรื่องอะไรครับอันนี้แหละจิงว่าผมมันไม่ใช่ว่าจะไปจําเอากับคําพูดคนนั้นไปจำเอากับคําพูดคนนี้ผมไม่จําจริงๆเดี๋ยวนี้ครับแต่ก้อนแค่ผมจำครับอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจอยากพูดเป็นความจริงและการพูดอย่างนี้มันไม่ต้องไปหาเอาคําพูดของใครเอาคําพูดของตัวเองเราต้องรับรองคําพูดตัวเองได้ มันต้องเข้าใจอย่างนั้นครับอันนี้ผมพูดความจริงอันนี้ทิศที่บองผมครับอย่าหาว่ามันคิดแล้วก็แล้วไปจะหาว่ามันพูดแล้วก็แล้วไปผมไม่ได้สงสัยใครจะพูดว่าผิด ก, ก็ได้ใครจะพูดว่าถูกก็ได้เพราะว่าผมเข้าใจอย่างนี้ผมว่าผมไม่มีทุกกแล้วกันคนอื่นจะไม่ทุกกแล้วกันแต่หากว่าทุกคนไม่ต้องการแล้วผมทุกเนี่ยมัต้องควรศึกษาและปฏิบัติเพราะชีวิตจิตใจของคนมันมีครับมันมีชีวิตมันมีจิตมีใจมันมีกายคนไทยก็มีอย่างนี้ คนจีนก็มีอย่างนี้คนฝรั่งอังกฤษคนคาเมลคนเดนม์ค น, น, คนลาวมีเหมือนกันทุกคนทีเดียวครับทุกชาติทุกภาษ า, าเรื่องนี้ครับมันไม่ได้กําหนดกฎเกณฑ์คือศาสนาใดก็มีลมหายใจแล้วก็มีเสื้อ ก, กินข้าวเต็มแล้วก็นึ่งห่มผ้าเต็มมันจึงไม่กําหนดกฎเกณฑ์คําสอนของท่านผู้รู้เนี่คยคือว่าแมพ้พระพุทธเจ้ารู้มาก็ได้ไม่ใช่ว่าผู้รู้ก็ได้คือว่าใครรู้ก็ได้ครับเพราะมันมีในคนนี่ครับแล้วก็ควรศึกษาเอาให้มันถูกอย่างนี้ เราเคยได้ยินว่าทำที่ทําให้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้ามันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าครับแล้วคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วมันมีชีวิตมันมีจิตมีใจมันมีกายเราก็ต้องศึกษาที่ตรงนี้สิครับเมื่อเราเน้ศึกษาที่ตรงนี้มันจะถูกที่ไหนครับ <MO. S 1> มันก็ไม่ถูกแล้วครับอันนี้พูดผลจริงครับอันนี้ผมกล้ารับรองได้ครับในชีวิตของผมเนี่ยผมกล้ายอย่างนี้ครับผมกล้าจริงจริงตรงนี้ผมจริงไม่เสื้อใครทั้งหมดเลยในโลกเนี่ยไม่เสื้อเลยแม้พระพุทธเจ้าหอกมาเนี่ยมันก็ไม่ถูกแล้ว เธอผิดแล้วเป็นนิสัยทิฏฐิแล้วเ huh. รื่องของคนนั้นพูดเองผมไม่ได้เป็นนิสัยทิฏฐิกับคนนั้นและผมไม่ได้เป็นสัมมาทิฏฐิกับคนนั้นผมเป็นมิสัยทิฏฐิกับผมเองผมเป็นสัมมาทิฏฐิกับผมเองเพราะผมรู้อย่างนี้เมื่อคนนั้นพูดว่าท่านเป็นมิสัาทิฏฐิผมก็ยอมรับว่าผมเป็นมิสัาทิฏฐิคนนั้นมาเพื่อว่าท่านเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วผมก็ยอมรับว่าผมเป็นสัมมาทิฏฐิเท่านั้นเองคือไม่ยอมรับเอาคําผิดอยากให้เราเห็นแจ้งรู้จริงนี่แหละออกไปได้อันนี้เรยว่ะเราเห็นแ้้งเรราูจ มันไม่ใช่เรืรู้จำมันรู้แจ้งรู้จริงมันเห็นแจ้งมันรู้จริงครับอันนี้มันเป็นอย่างนั้นทิว่าทิศทีของผมมันเป็นอย่างนี้นะที่ผมนำมาเล่าให้ฟังวันนี้ก็รู้สึกว่าพอสมควรอย่าง